นโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบัดนี้จะได้วิสัชฌนาในพระธรรมเทศนา ของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความผาดเพียนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายจนกว่าจะยุติด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมาเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาผิดเศษกล้รารบเหตุแห่งการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ขอท่านทั้งหลายทำความรู้สึก ในใจเป็นเบื้องต้นถึงสถานที่นี้เสียก่อนว่าเรามาสู่สถานที่เช่นนี้นั่งอยู่ในลักษณะเช่นนี้มีความหมายพิเศษคือเรานั่งอยู่กลางพื้นดินซึ่งเป็นที่นั่งที่ประทับของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ศึกษามาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูตรกลางดินท่านเป็นเจ้าเป็นนายแต่เมื่อคราวประสูตรท่านประสูตรกลางดินที่โคนต้นไม้เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งตัสรู้กลางดินโคนต้นไม้เมื่อท่านสอนสาวกทั้งหลาย เกือบจะทั้งหมดนั่นก็สอนกลางดินเมื่อนั่งอยู่กลางดินเดินทางอยู่ก็สอนศาลาธรรมก็พื้นดินที่ประทับก็คันตะกูดีของท่านก็พื้นดินในที่สุดท่านก่อ น, นิพพานก็กลางพื้นดินอีกเหมือนกันใ ต, ต้ต้นไม้อย่างเดียวกันด้วย พื้นดินกลางต้นไม้เช่นนี้เป็นอนุสร์ถึงพระพุทธองค์เรามานั่งอยู่ในลักษณะเช่นนี้เขาให้ถือว่ามานั่งนอนบนที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทั้งที่เป็นพื้นดินแล้วเราก็ได้มานั่งฟังธรรมกลางพื้นดิน ทช่นเดียวกัที่พระพุทธเจ้าท่านเคยทรงกระทำแต่เราก็มานั่งให้อยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นของโกรธปรปานของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านประสูตยก็ประสูตยใต้ต้นไม้ท่านนั่งจัดสรู้ก็นั่งจัดสรุปใต้ต้นไม้ท่านสอนอก็สอนใต้ต้นไม้ส่วนใหญ่ท่านประทับอยู่ใต้ต้นไม้เสด็จไปบินบา巴 แล้วมานั่งฉันบินตบาดที่ใต้ต้นไม้และจึงเคยกลับไปวัดตัวใหญ่ก็นั่งใต้ต้นไม้ในที่สุดนิพพานก็นิพพานใต้ต้นไม้ต้นไม้ที่ประสูติและปรินิพพานนั่นเรียกกันว่าต้นสาละแล้วก็มีปลูกอยู่ที่หน้าตึกใหญ่นั่นผู้สนใจควรจะไปดูต้นสาละ ซึ่งเป็นที่ประสูตรและปันนิพพานของพระองค์ที่นี่เรียกว่าสวนโมกคาว่าโมกแปลว่าเกลี้ยง <c oughs> คือมีจิตใจเกลี้ยงจากความทุกข์เกลี้ยงจากความโศกเกลี้ยงจากกระบวนการวายเกลี้ยงจากกิเลสไม่มีสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจเกลี้ยงจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เป็นสุขสงบเย็นเพราะมีใจเกลี้ยง รอยททั้งหลายจงสังเกตในขอน้อนี้ว่ามานั่งลงในสถานที่เช่นนี้แล้วกจก็ตองเกลียงไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเราจะไปทุกข์ร้อนทำไมเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ให้ถือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์เคยมีความทุกข์ ก็สลัดออกไปเสียอย่าให้มันมีเลืออยู่ในจิตใจท่านเราท่านตั้งหลายอาตมากล่าวในานามของคนตั้งหลายทั้งพวงว่าเพื่อนร่วมชาติของเราไม่น้อยกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนเขาแสดงความยินดีเขารู้สึกพอใจในการกระทำของท่านทั้งหลายในลักษณะเหมือนกับว่ามีจิตใจอันใหม่ ข้อนี้เราจะต้องรู้ถึงพระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเคยมาเผยแผ่อยู่ในดินแดนนี้ภาคใต้นี้และมลายูนี้เลยลงไปถึงชวาวสุมาต ร, รานโน ล, ล้วนแต่มีพุทธศาสนามา 2,000 ปีเห็นจะได้ อย่างน้อยที่พยานหลักฐานปรากฏอยู่ก็พันสองร้อยปีเป็นแน่นอนคนในถิ่นนี้เคยเป็นพุทธบริษัทมาก่อนเลือดเนื้อของขาวทุกคนในถิ่นนี้จึงมีความเป็นพุทธบริษัทซึ่งอย่างน้อยก็จะเหลืออยู่ไม่สูญสิ้นไปความเป็นพุทธบริษัทนั้นก็คือมีธรรมะแห่งศาสนา ธรรมะแห่งประสศาสนานั้นโดยส่วนใหญ่ก็คือความรักความเมตตาความกุรุณาเพื่อนมนุษย์ต้วยกันถือลมคติว่าสตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อถือศาสนาอย่างนี้แล้วเราก็ย่อมเป็นธรรมดา ที่จะมีใจิตใจเมตตากรุณารู้ข่าวว่าเพื่อนเป็นทุกข์ก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเมื่อรู้รู้ข่าวว่าเพื่อนพ้นจากทุกข์ก็ดีใจด้วยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราวังอย่างนี้ทั้นเขาก็มีความหวังตามแบบของพุทธบริษัท ในการที่ทนท้งร้ายจะพ้นจากทุกโศกเขาก็ต้องสแสดงความยินดีเราจะทดลองออกเสียงหาความจริงข้อ น, นี้ให้กันก็ได้ว่าเพื่อนร่วมศาสนาของเราเขาพอใจในการกลับมาของเราหรือไม่แน่นอนแปดสิบเ้าสิบ เต์นั่นเขาก็พอใจแต่การที่ท่านทั้งหลายจะหนีไปป่าเพื่อนร่วมชาติของเราแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนนั่นเขาก็ไม่พอใจถ้าจะลองออกเสียงว่าเขาชอบไหมเขาก็จะออกเสียงว่าเขาไม่ชอบไปทําอย่างนั้นเขาชอบให้มาอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนสุขในครอบครัวอยู่เหมือนอย่างเพื่อนร่วม เกิดแก่เจ็บตายก็ได้เหมือนกับเพื่อนบ้านเรือนเดียวกันก็ได้ลองโหคะแนนเสียงดูเถิดเขาจะออกเสียงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราก็ควรจะพอใจว่าเราได้กระทำตรงตามความต้องการตามความประสงค์ของเพื่อนร่วมชาติของเราอย่างน้อยก็ตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น์ทีเดียวที่เขาไม่อยากให้เราข้าป่า น, นเมื่อเราออกมาจากป่าเขาก็ดีใจท่านลองไปคิดดูเองว่าเรานี่จะพยายามทำให้ตรงตามความรักความหวังความประสงค์ความตารงกามของเพื่อนร่วมชาติของเราได้เท่าไหร่ก็ควรจะทำให้มากเท่านั้นเพื่อนร่วมชาติของเราก็เหมือนกับเรามีเลือดเนื้อเป็นชาวพุทธ ก็มีพุทธศาสนามาครอบงำดินแดนแถบนี้ตั้งพันกว่าปีมาแล้วฉันจึงขอให้เชื่อเธอว่าทุกคนมีความรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายล้วนแต่ต้องการจะให้อยู่กันอย่างค้าสุขอย่างน้อยก็ว่าเป็นมนุษย์เลยพบประพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มี ธรรมะสูงสุดอยู่ที่ความเมตตาถ้าทุกคนมีเมตตาโลกนี้ก็เป็นโลกของศรีอารยเมตไตรอารยเมตไตรแปลว่ายิ่งด้วยเมตตายิ่งด้วยไมตรีจิตที่เป็นมิตราหายสูงสุดอยู่ที่ความเมตตาถ้าเราถือหักรักผู้อื่นเท่านั้น ก็จะเกิดโลกภาษีอารยเมตไตรดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในโลกของภาษีอารยเมตไตรนั้นไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆเพราะมันเต็มไปด้วยความรักจะเลี้ยวไปทางไหนกันล้วนแต่เต็มไปด้วยบุคคลที่รักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครขาดแคลนเพราะว่ามีความรักซึงกันและกันเมื่อทุกคนรักกันแล้วใครมันจะขาดแคลนได้เพราะว่าผู้ที่พร้อมที่จะช่วยมันมีอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็ดีเหมือนกันหมดในโลกของสีอาริยเมตรยัยจนมีคำกล่าวว่าพอใครลงจากเรือนไปสู่ถนนก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใคร มันเหมือนกันไปหมดจนดูไม่ออกต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วว่านี้บ้านของเราจึงจะรู้ว่านี่ภรรยาของเรานี่สามีของเรานี่ลูกของเราต่อเมื่อมาถึงบ้านแล้วพอออกไปนอกถนนปจำกันไม่ได้ความหมายเช่นนี้ตีความว่ามันรักกันจนเป็นคนคนเดียวกันไม่มีเขาไม่มีเรา ออกไปกลางถนนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะดีเหมือนกันหมดเพราะทุกคนรักผู้อื่นเหมือนกันหมดไม่มีกลิ่นอยแห่งการฆ่าพูดถึงการฆ่าคุณจะฟังไม่ถูกสาหรับผู้ที่รักผู้อื่นไม่มีการประทุษร้ายประทุษร้ายนี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากลำบาก ประทุษร้ายนี้จะแจกแจกไว้ห้าประการประทุษร้าย ช, ชีวิตร่างกายของผู้อื่นให้เขาเจ็บให้เขาตายนี่เรียก ว, ว่าประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายทีนี้ก็ประทุษร้ายสิ่งของทรัพย์สมบัติของเขาคือลักขโมยเขาเป็นต้นนี่คือประทุษร้ายทรัพย์สมบัตินี่ประทุษร้ายของรัก ของที่เขารักบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามแม้แต่สิ่งของถ้าเขารักก็จะไม่ประทุษรา้ายข้อที่สี่ไม่ประทุษร้ายความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรของใครแด่ใช่วาจาเป็นเครื่องประทุษร้ายคือพูดเท็จพูดเท็จเนี่ยมันไปประทุษร้ายประโยชน์หรือความถูกต้องหรือสิทธิอันชอบธรรมความยุติธรรมของผู้อื่น เรากล่าวคำเทศนเป็นต้นก็เป็นการประทุษร้ายสิ่งเหล่านั้นของผู้อื่นก็เว้นเสียไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของเราเองถ้าเรากินเหล้าเมายานี่คือประทุษร้ายสติสัมปชัญญะจิตใจของเราเองข อ, อนี่หน้าหัวที่ว่าประทุษร้ายตัวเองประทุษร้ายของตนของของตนเอง เว้นประทุทรายห้าข้อนี้เสียมันก็รักผู้อื่นแต่รักผู้อื่นก็ไม่มีการประทุทรายห้าข้อนี้ไม่ประทุทรายชีวิตร่างกายไม่ประทุทรายทรัพย์สมบัติไม่ประทุทรายของรักของผู้อื่นไม่ประทุทรายความถูกต้องยุติธรรมของผู้อื่นและไม่ประทุทรายสติสัมปชัญญะของตนเอง เมื่อมีข้อพังหาข้อนี้แล้วก็ไม่มีการปฏิทุร้ายใดๆเหลืออยู่ก็มีความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างเต็มที่นี่เป็นหลักของศาสน า, ศาทุกศาสนาสอนอย่างนี้ชาตะมาได้พยายามค้นคว้าทุกศาสนา ไม่ที่สุดไปพบตรงกันทุกศาสนาอยู่ข้อหนึ่งก็คือรักผู้อื่นโดยมองเห็นว่าไอ้ความรักผู้อื่นเท่านั้นจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องจัดสังคมด้วยความรักผู้อื่นไม่จัดด้วยปืนไม่จัดด้วยอำนาจไม่จัดด้วยกำลังอะไรหมด แต่เราจัดต้องคมของเราด้วยความรักผู้อื่นทุกศาสนาเน้นความรักผู้อื่นถึงกับว่าให้ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันก็มีศาสนาอิสลามมีคำกล่าวว่าทุกคนเป็นคนเดียวกัน <c oughs> ศาสนาคริสตนมีคกากล่าวว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเพื่อนเปิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม้แต่สัตว์ เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม้แต่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจึงมุ่งหมายที่จะจัดสังคมด้วยความรักที่ธรรมะลองเลือกดูจะจัด ส, สังคมด้วยอาวุธหรือว่าจะจัดสังคมด้วยความรักธรรมาเห็นว่าถ้าจัดด้วยอาวุธแล้วใช้ไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจัดด้วยความรักแล้วใช้ได้ จะเป็นเสรีประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมหรือคอมมูนิสต์หรือฟาสซิสต์อะไรก็ตามเถิดถ้าเขาจัดสังคมด้วยความรักแล้วมันใช้ได้ทั้งนั้นถ้ามันจะได้วยอำนาจด้วยกำลังแล้วไม่มีอะไรที่ใช้ได้น่าจะเป็นเสรีนิยมก็ไม่ได้สังคมนิยมก็ไม่ได้คอมมูนิสต์ก็ไม่ได้ฟาสซิสต์นาซิสอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าจัดสังคมด้วยอำนาจด้วยกำลังด้วยอาวุธ มันจะจับ ด, ด้วยความรักแล้วก็เป็นชายได้เพราะว่ามันเป็นหลักมุ่งหมายของศาสนาทุกๆศาสนาเราพูดได้เลยว่าทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยมไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เห็นแก่ตนมีแต่ศาสนาที่สอนหเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทางนั้นสังคมนิยมแปลว่าถือสังคมเป็นใหญ่ นอกตัวเรานะั่นแหละเป็นใหญ่ตัวเราเอาออกเสียเอาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นใหญ่ถ้าถือหลักอย่างนี้ก็เรียกว่าสังคมนิยมแต่แล้วก็มีวิธีจัดต่างกันไอ้พวกสังคมนิยมบ้าบ้าบอๆมันก็จัดด้วยอำนาจด้วยกำลังด้วยอะไรชนิดจิตเดือดร้อนกันไปหมดถ้าเป็นสังคมนิยมตามหลักแห่งพุทธศาสนาแล้วก็ต้องจัดด้วยพระธรรมเอาพระธรรมมาจัดสังคมคือความรักผู้อื่นนั่นเอง มาจัดสังคมมุ่งหมายให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกแม้ว่าวิธีจัดจะแปลกกันบ้างแต่ถ้าสามารถจัดให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาในโลกแล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นเราต้องมีหลายาศาสนาอย่าเข้าใจผิดเรามีาศาสนาเดียวนั้นมันไม่ได้ เพราะธรรมาชาติมันสร้างคนมาต่างๆกันคนพวกหนึ่งๆพวกยุคหนึ่งๆสมัยหนึ่งๆก็มีจิตใจอย่างหนึ่งมันก็ต้องการศาสนารูปแบบหนึง่งเราจึงมีหลายศาสนาวหา้เผื่อเลือกแต่มันตรงกันตรงที่ว่าทุกศาสนามันสอนให้รักผู้อื่นทุกศาสนาสอนให้จัดสังคมด้วยความรักผู้อื่น ทุกศาสนาต้องการให้จัดโลกด้วยความรักผู้อื่นซึ่งเป็นอุดมคติของโลกภาน ษ, ษีอาริยเมตไตรา อ, อาริยะแปลว่าประเสริฐสีก็แปลว่าประเสริฐเมตไตรก็แปลว่ามีมิตรภาพมีเมตตามีความรักดังนั้นทุกอย่างจะต้องทำไปด้วยกิตที่เมตตา นี่เป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาประชาศาสนาทุกศาสนาจึงมีหัวใจแห่งความรักผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้นเราต้องการจะให้อยู่กันเป็นสุขเราก็ต้องจัดด้วยปัจจัยแห่งความสุขการเบียดเบียนการไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขความรักกันเท่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ทุกคนจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดได้ก็เพราะรักผู้อื่นไปคิดดูในข้อนี้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลประเสริฐที่สุดก็เพราะว่าท่านรักสัตว์โลกทั้งหลายท่านบำเพ็ญบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเพื่อเห็นแก่คนทั้งหลายท่านก็สอนในความรักเึ่นกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งสันติสุขอุดมกติของบุคคลประเสริฐที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นเขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีตามแบบของพุทธศาสนานั้นแปลกจากเศรษฐีพวกอื่นท่านลองฟังให้ดีในข้อนี้เพราะว่าทุกคนอาจจะเป็นเศรษฐีได้ เศรษฐีคำนี้แปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐะแปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลว่ามีความประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดที่จงไหนเศรษฐีนั่นมีธรรมะรู้ว่าการทํางานนี่เป็นธรรมะก็เลยสนุกในการทํางานก็ผลิตได้มากผลิตผลได้มาก คันได้มากแล้วใช้กินจ่ายแต่พอดีมันก็เหลือมากมเหลือเอาไปช่วยผู้อื่นท่านทั้งหลายลองจำคำว่าเศรษฐีหรือผู้เปี่ยดที่สุดไหว้ดีๆมันมีความหมายว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นเป็นคำสั้นๆจำง่ายว่าผลิตมากกินแต่พอดี เหลือช่วยผู้อื่นนี่คือเศรษฐีตามแบบของพระพุทธเจ้าชาวร่าชาวนาก็เป็นเศรษฐีได้ชาวร่าชาวนาทำนาเต็มความสามารถมันก็กินไม่หมดกินแต่พอดียิ่งไม่หมดเหลือก็ช่วยผู้อื่นได้ ขอให้ฟังไว้จําไว้ว่าแม้แต่ชาวนาชาวไร่ก็เป็นเศรษฐีตามอุดมคติแห่งพระพุทธศ า, าสนาได้เหมือนกันเราเป็นชาวนาถือธรรมะว่าธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะเมื่อได้ทําหน้าที่ของมนุษย์แล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมะการทำหน้าจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะ็ทําทหน้าที่ของมนุษย์ เมื่อได้เป็นเมื่อได้ปฏิบัติธรรมก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขยิ่งอาบเหงื่อก็ยิ่งเป็นสุขเพราะว่าเหงื่อเนี่ยมันแสดงว่าเราทำหน้าที่ของเราคือปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์เป็นการปฏิบัติธรรมเหงื่อออกมากก็หมายความว่าปฏิบัติธรรมมากเราจึงพอใจเราจึงยินดีในการทำงานมันจึงทำได้มาก พมันรับจะทําเพราะมันบูชาในการกระทําว่าเป็นการเสิพฤติธรรมมันก็ทําอย่างไม่รู้จักเหนื่อยไมื่เหมือนกับคนที่ไม่มีอุดมคติอันนี้มันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทํามันก็คอยจ้องแต่จะขโมยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีธรรมะก็คือรู้ว่าการทําหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันถ้ามันทําหน้าที่ของมันเราเรียกว่ามันปฏิบัติธรรมะมันมีธรรมะ มนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ก็คือปฏิบัติธรรมะก็ปีติปราโมทยก้มือไหว้ตัวเองได้เมื่อได้ปฏิบัติธรรมะ <c oughs> ยิ่งเหน็่เหนื่อยเท่าไรยิ่งพอใจว่ามันปฏิบัติธรรมะสูงสุดขนาดเงือ่่่่่่่่่มัน่่่่ <c oughs> ่่่กก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เว้นแต่จะเอาไปทำอบายมุขล่างสานเสียโดยอบายมุขอย่างนั้นมันก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่ว่าถ้ากินแต่พอดีที่ถูกที่ควรแล้วมันจะต้องเหลือเป็นแน่นอนเมื่อเหลือแล้วก็เอาไปช่วยเพื่อนมนุษย์โดยการเศรษฐีในเครื่องพุทธการเ้าก็มีโรงพานถ้าไม่มีโรงพานยังไม่เกิดว่าเศรษฐี ถ้าชั้นเศรษฐีที่เป็นที่ออกหน้าออกตาต้องมีโรงทานาทรัพย์สมบัติเงินทองก็เอาไปฝังไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้ไปขุดเอามาช่วยโรงทานเพราะสมัยนั้นเขาไม่มีธนาคารการเก็บทรัพย์จะเอาไปซ่อนไหวมันจึงสูญหายบ่อยๆแม่น้ำพังตะลิงพัดพาสูญหายไปเสียบ้างหรือว่าคนเขามาขโมยไปเสียบ้าง ก็ยังไม่ท้อใจก็ยังฝังทรัพย์ไหเพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานเพื่อว่าคนบางคนมันเป็นคนพิการมันเป็นคนทุกพลภาพมันต้องการความช่วยเหลือหรือว่านักบวชนักศาสนาเขาต้องการความช่วยเหลือก็จะได้อาศัยรงทานสำหรับนักบวชนี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะไปรับอาหารในรงทานติดตดิกันหลายวันไม่ได้ จะไปรับได้ก็เฉพาะเมื่อวันที่มันขาดแคลนขาดมือหรือจําเป็นเท่านัน้นนี่ก็เป็นอุดมคติของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันคือไม่ให้นอนคอยรอคอยรับความช่วยเหลือไม่จําเป็นก็ยังไม่รับความช่วยเหลือแต่อุดมคติสอนให้ทุกคนผลิตผลให้มากกินแต่พอดีเหลือกก็ช่วยผู้อื่นนี่คือเศรษฐี ตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนาอาตมาจึงพูดว่าแม้แต่ชาวรา่ชาวนาก็เป็นเศรษฐีได้ชาวนาคนไหนทำนาโดยความสนุกสนานเพ ร, รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมะยิ่งเงินไหลยิ่งสบายายยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็ทำนาได้มากเมื่อทำนาได้มากมันก็กินไม่หมด <c oughs> กินไม่หมดก็ได้เหลือช่วยผู้อื่นทำไมเราจะต้องช่วยกันเพราะว่าคนเราไม่เท่ากัน ทำไมคนเราไม่เท่ากันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอบางคนขี้โรคบางคนสบายดีแตกต่างกันมากทำไมจึงแตกต่างกันธรรมชาติมันจัดมาแตกต่างกันไม่มีใครฝืนได้ทางหลักธรรมะก็ว่าก็มันมีกรรมที่สร้างมาต่างกันมันจึงเหมือนกันไม่ได้ เราไม่มีอะไรที่เสมอกันไม่มีอะไรที่เท่ากันมันจึงเหลื่อมล้ำกว่ากันแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะหลักธรรมะมันมีว่าช่วยผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นยังมีคนที่รักผู้อื่นและคอยช่วยผู้อื่นนันเราจึงอยู่ในโลกนี้ได้ทั้งที่มีความแตกต่างกันคนหนึ่งมีเงินเป็นแสนเป็นล้านคนหนึ่งมีไม่กี่บาทมันก็ยังอยู่กันได้ถ้าว่ามันมีความรักกัน ธรรมะคือความรักกันมีความรักซึ่งกันและกันก็แก้ปัญหาอันนี้ได้ให้ธรรมชาติมันสร้างมนุษย์มาให้แตกต่างกันกว่านี้มากนักมันก็ยังแก้ปัญหาได้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเป็นต้นไม้ยักษ์มันก็อยู่ได้กับตะถ่ายเขียวๆ เ, เป็นคุยๆที่โคนหรือว่าหญ้าที่โคนหญ้าบอนที่โคนต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้ขนาดยักษ์ทำไมอยู่กันได้กับหญ้าบอนหรือตะไครเ้เขียวๆที่รากทิ่โคนเพราะว่ามันรักกันเพราะมันมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนกันเนี่ต้นไม้ขนาดยักษ์ก็อยู่เป็นสุขกับตะไคร่น้ําเขียวๆที่รากทิ่โคนนี่กฎของธรรมชาติมันให้มาแล้วอย่างนี้ว่ามันต้องแตกต่างกันขนาดต้นไม้ยักษ์กับตะไครค้คุยคุย แต่มาแตกกลางกันก็ไม่เป็นไรเรามีกฎที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือความรักกันความอยู่ร่วมกันถ้าต้นไม้ยักษ์ไม่มีแดดก็เผาตะไคร้หรือหญ้าบอลมันตายหมดหรือตะไคร้หรือหญ้าบอนที่โคนต้นไม้ยักษ์ไม่มีต้นไม้ยักษ์นั่นก็ขาดน้ำขาดอาหารไม่งอกงามไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับความชุ่มชื่นเพราะหญ้าบอนหรือตะไคร้ นั่มันจึงอาศัยกันอะไรกันอยู่เป็นสุขได้โดยกันทั้งที่มันมีความแตกต่างกันเนพุทธเจ้าของเราทำไมมาสนใจกับสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะท่านมีความรักผู้อื่นรักสัตว์อื่นท่านบัญญัติคำสอนให้รักผู้อื่น เป็นหัวใจของศาสนาคนบางคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสักดินนานี่มันว่าเอาเองพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตัดรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินไม่มีวิ ญ, ญญาณแห่งสักดินนาไม่มีวิญญาณแห่งนายทุนแต่มีวิญ ญ, ญาณแห่งธรร ม, มิกะสังคมนิยมคือสอนรักผู้อื่น รักผู้อื่นจนถึงกับบัญญัติกฎเกี่ยวกับเมตตาว่าใครจะโกรธใครไม่ได้ถ้าว่าโจรมันจับเราเอาเลื่อยเื่อยเลื่อยถึงกระดูกก็จะโกรธแบโจร น, นั่นไม่ได้ถ้าโกรธับโจร น, นั่นจนแล้วไม่ใช่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านบัญญัติไวถึงขนาดนี้ ท่านหวังว่าโลกนี้มันจะรอดอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความรักซึ่งกันและกันนี่แหละเขาให้เรานึกดูเถอะว่าพุทธศาสนามันอยู่ในสายเลือดของบิดามารดาปู่ย่าตาทวดของเราพันกว่าปีมาแล้วร้องเพลงกล่อมลูกก็ยังเป็นพุทธศาสนาในชั้นสูงสุดลูกหลานสมัยนี้โชคมันไม่ดีมันเกิดมาไม่ได้ทัน ได้ฟังคุณยา่าคุณทวดเขาร้องเพลงกล่อมลูกว่ามะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้พึ่งฝนตกไม่ต้องค้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้พึ่งถึงได้แต่ผูกพ้นบุญเอ้ยนี่ร้องกล่อมลูกให้นอนเรื่องนั้นเป็นเรื่องนิพพานมะพร้าวนาลิเกไม่อยู่กลางทะเลขี้พึ่งคือบุญหรืบาปแต่นิพพานนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่ชะทะเลขี้พึ่งที่จะมาข้านาลิกเเกนั่นฝนตกไม่ต่อข้าร้องไม่ถึงสู้สุดจนคนทำไม่หนี้ไม่เข้าใจแต่ปู่ย่าตา ย, ยายเราเข้าใจแปลงเป็นบทกล่อมลูกให้ลูกนอนให้นอ้องกล่อมนอ้องให้นอ้องนอนพุทธศาสนาเคยเจริญในดินแดนอย่างนี้ในดินแดนนี้ถึงลักษณะอย่างนี้มีบทกล่อมลูกหลายบทพูดถึงพระนิพพานทั้งนั้นเลย แสดงพุทธศาสนาจะเริญอยู่ในสายเลือดจนร่องเพลงกล่อมลูกก็มีความหมายแห่งนิพพานเราที่เป็นลูกหลานเดี๋ยวนี้เลือดมันจางมากเกินไปหรืออย่างไรมันจึงไม่ค่อยสนใจในพระพุทธศาสนาถ้าสนใจในพุทธศาสนาก็จะเรียกว่ารักษาเลือดของบรรพบุรุษไว้ได้ก็จะง่ายมากที่จะรักผู้อื่น มันง่ายมากที่จะสร้างโลกภาษีอาเรยเมตรไตรขึ้นมาเป็นโลกแห่งความรักเราพันธนาไว้ว่าในโลกภาษีอานนั้นนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนไม่มีใครมาทําอะไรรั้วสร้างเรือนไม่ต้องทําประตูใสกรอนลันดานอะไรเพราะว่านอนมันก็ไม่ต้องปิดอยู่แล้วมันมีแต่คนรักผู้อื่นแล้วใครจะมาเบียดเบียน ทุกคนมันหายใจด้วยความรักผู้อื่นทุกคนก็เป็นสุขสบายมีคำกล่าวว่าให้ลูกเล็กๆ เ, เต้นราอยู่บนอกไม่มีใครเดือดร้อนมันรักผู้อื่นมันช่วยกันจนไม่มีใครเดือดร้อนนั้นแม่จึงไม่มีวิตกกังวลอะไรให้ลูกอ่อนเล็กเก เ, กเต้นราอยู่บนหัวอกเหมือนนอนงายแนตะ่ลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไร สังคมเช่นนี้มันเป็นอย่างไรสังคมที่สร้างขึ้นมาด้วยความรักผู้อื่นนี่มันเป็นอย่างไรที่เราจะละทิ้งสายเลือดนี่ในข้องวรนครอบุรุษนั้นนันได้อย่างไรถ้าเราไปละทิ้งข้าวพ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไปทำอย่างไม่ตรงกันข้ามมันก็ฝืนสิ่งที่มีอยู่ในสายเลือด ขอยอมรับเถอว่าในสายเลือดของบรรพบหลุดของเรามีพระพุทธศาสนามันถ่ายทอดมาสู่เราแม้เราไม่รู้สึกเราไม่ต้องการมันก็มีสายเลือดอยู่นั้นเราไปทําที่ตรงกันข้ามมันก็ฝืนความรู้สึกจะต้องไม่มีความสบายเป็นแน่นอนความรู้สึกที่เป็นความรักเป็นความเมตตามันมีอยู่ในหลักของศาสนา เรื่องมีอยู่ในสายเลือดของคนที่เคยถือศาสนาถ้าเรารู้ความข้อนี้แล้วมันง่ายนิดเดียวที่เราจะช่วยกันสร้างโลกภสษีอารยเมตไตรขึ้นมาด้วยความรักผู้อื่นสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความคิดถูกต้องความเข้าใจถูกต้องความเชื่อถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันง่ายนิดเดียวที่จะรักผู้อื่น ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก่อนี้แล้วมันยากเลือกเกินที่จะรักผู้อื่นเพราะกิเลสทะนั้นที่มันจะชวนให้เอาเปรียบผู้อื่นทำนาบริหลังคนอื่นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่มันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เข้ารู้เข้ารอยกันกับเรื่องราวแห่งบรรพบุรุษของเราซึ่งเคยเป็นสมาธิขิกันมาแล้วทั้งนั้น <c oughs> ท่านให้ลูกหลานเพเกิดมาด้วยสมาธิขินั้นลูกหลานก็ควรจะรักษาดวงกิตหรือวิญญาณแห่งสมาธิขินั้นไว้ให้ได้ก็จะดําเนินตนไปในทางที่ถูกต้อง จะพ้นโชคร้ายจะพ้นเคราะห์กรรมทั้งปวงไม่มีอะไรมาทําให้เดือดร้อนเลยเนี่ธรรมะมีหัวใจคือความรักผู้อื่นในทุกศาสนาเน้นเรื่องความรักผู้อื่นอาจามาจึงกล่าวว่าทุกศาสนามีวิญญาณเป็นสังคมนิยมที่มีธรรมะเป็นหลักต้อง กำหนดชื่อของมันให้ชัดลงไปว่าธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่มีพระธรรมเป็นหลักไม่ต้องกลัวมันก็รักผู้อื่นจนเป็นเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้มันเป็นคนคนเดียวกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ขอให้เรามาช่วยกันจเจริญรอยตามบรรพบุรุษของเรา เราก็ช่วยกันสร้างโลกที่เยือกเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่มีของร้อนคือกิเลสนิพพานคือความไม่เห็นแก่ตัวมันก็เย็นมันมันไม่มีกิเลสจึงเห็นแอบเห็นนิพพานไม่มีความเห็นแก่ตัวมันจึงเย็นถ้ากิเลสมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบมันก็ร้อนหลักธรรมะนี่มีอย่างนี้เห็นแก่ตัว มันก็มีกิเลสทำลายตนเองหละผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นมันก็ไม่ทำลายใครนี่ธรรมะช่วยได้ในการที่จะสร้างโลกแห่งความสุขขนาดเป็นโลกของพระสีอารยเมตรายทีเดียวนี่แหละคือสิ่งประเสริฐที่สุดของมนุษย์เราพรคำว่าพรนั่น แปลว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในภาษาบาลีเขาเรียกว่าวอนหรือวร์รอวอรแต่ชาวอินเดียเขาออกเสียงตัววว่าพอแทนที่ออกเสียงว่าวอนเขาออกเสียงว่าพอนแล้วชาวอินเดียพวกนี้มาสอนคนไทยเร า, านานแล้วตั้งแต่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องดินแดนส่วนนี้ <c oughs> คำว่าวรระที่แปลว่าประเสริฐนั่นเขาออกเสียงวอเป็นพอมันเป็นพระขึ้นมาคำว่าพระพระพระคือแปลว่าประเสริฐนั่นมันออกเสียงเป็นพอเพราะชาวอินเดียเขาออกเสียงอย่างนั้นพรแปลว่าประเสริฐประเสริฐก็มีธรรมะมีธรรมะมันก็คุ้มครองก็ไม่มีทุกข์ คนทุกคนโกรปพนโรคพ้คนภยัยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ควรปรารถนาในจุดนี้อาตมาจะขออวยพรแต่แม่จะไม่อวยพรท่านทั้งหลายก็จะมีพรได้เองเมื่อปฏิบัติธรรมะเมื่อรับผู้อื่นแต่อาตมาก็ขออำนวยพรแม้ว่าไม่อํำนวยพรท่านก็จะมีพรได้เองในเมื่อท่านรักผู้อื่นให้ท่านทั้งหลายต้มีสมาฐิ เป็นเครื่องชักจูง จ, จิตใจวิญญาณชีวิตแล้วก็จะได้มีความสุขสวัสดีสุ ข, ขะวันนะพันละปฏิพานคุณสารใดไดที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความสงบเย็นขอใั้นทั้งหลายแห่สมบูรณ์ไปโดยพรในลักษณะนั้น อยู่ทุกท่วารากาห่าทุกทิวาราติกาคือไปตลอดกาลนานเพินธรรมเทศนาสมควรเจ้เวลาเอวังก็มีโดยเพลการชินี